เโคปนาันโตสิงสาิติยาปาจิตติยาธมมาอุเตสังอาชันเตเมตทิตกีวรัตสงทิคุณาอุปตัสมงกตมิเนดะสามังกติเรกีวรังคเรตบังตังอติกามยโตนิตกิยังปาจิตยังนมตทิตกีวรัตสงทิคุณาอุปตัสงกติเนเรตปิเจติกุติกีวรังาเรตบังัติกาไมยโตนิตะกิยังปาจิตยังนมตทิตะีวรัตน밍ทิคุณาอุปภะตัสมงกตมิเนพิคุโนปเนยบาอากาศีวรังอุปเจยะอังคังขมาเดนะริคุ ระมันเตนะที่คุณตังกีรังนิิปิตบังคูนัตตาปาริภูริยาตติยปจัจจายตโตเจตุสตริงนิิเปยยตติยปิปัจจายานิสติยังปาจิติยังโยปนะทคุณญาิายุณียาภูราาอิวรังโทวาเปยยาวะราชาเปยยาวะอาโกตานเปยยาวะนิสติยังปจิติยังโยปนะี่คุณญาติคายาทีุ่ณียาถัดโตเก่ยรังปะติกันนยญาณิญาตราลิวะปะกานิสติยังปาจิติยังโยนะี่คุญาติคังกะหะปะนิงวะกะหะปะกาน วโรหะยังตถาสมยอ่ ตัเจอัญญตโกกะาติว่ากะบตนิวะะหูหิกีวะเรหิอธิหทุนปวรยะตัณุตระปรมันเตนะติคุณาตะโทจิวะรังสาิตัมังตะโตเจุตริงสาดิเจยานิตุกังปัญจิติยังพิกุพนีวะอุดิอัญญตะกจังะบติตมะตานิยะวากีวะระเจตาปนังอุปคตังโหเดิมีนาจีวะราเจตาปเนนะีวะกังเจตาเปตวาอิธนามังพิกุงกีวะเรณัชชาเดชามีเดสัตตะเจโสภิกขบุเบอปวาริโตอุปสังกมิตวะกิ วะเวะโรปังวกีวรังเจตาเตตวาอชาเดชีติกัลยากมิตอุปาดาญาณิสกิยังปาจิตยังพิกุปเปนวะอุดิจากุพินังอัญญาตกาังกปีนังวะกาปตานีนังวาปเจกิกวรเจตาปนาอุปคตาหนเตจิเมหิมะยังปเจกิกวรเจตาเปเนหิปเจกิวรานิกิตาเตตระอิธนะนังพิกุปกวะเรหิอชาเดชามาเดตัตรเจโสพิกุปเบปอภวาริโตอุปสังกมิตาจีวเรวิกัังอาปเจยะาตุวตังอายัตมันโตจิเมหิปเจกิกวรา ตาเป็ดตาอาชาเดธาอุโภวสันตาเอกนาติกัญญากมิจังอุปาดานิสกิยังปาจิตยัง พิกงเนวะอุดิตาราจาวาราชโกวาบรหัมนวากาติโกวาดูเตนะกีวรเจตาปนังปหินนายาอิมนากีวรเจตาปนเนกีวรังเกตาเปตลาอิทนามังิกุงกีวรเณนาชาเดเตโซเจดูโตตังพิกุงอุปตังกวิตวาเงวเดียอิดังโขพันเตอาจตอาสัมตงอุดิตากีวรเจตาปนังอาภัปดติกันนาตอาเจากีวรเจตาปนัเตเตนพิกูนาโซดูโตเอวามัสวจญิโยนโคมายังอาบุโซกีวรเจตาปนังปัดตักันนามากีวะรังจโคมายังปัดตังกันมาเลน ตัตังิคุ้งเอังวัตเดยอธทิปนายมันโตโกจิเวยามาจักโรตจีวรติเกนทิคเวทิคุาเวยามจักโรนิดิสิตัมโบอารามิโกวาอุปัสโกวาเอโโคอาบุโพิคุงเวยามจักรโรตโซเจดูตัตังเวยามาจักรรังตัญญาเปตวะตังิคุ้งอุปสังมิตวเองวัตเยยังโคพันเตอายมาเวยาจักรรังนิดิิัโตโซมะยาอุปสังกมัตุอายส์มากาเลนะอีวะเรนะอีวะเรนะตั้งอชาเดตติเตจี ตกีวะเรนาตินวิติกะตุงโจอยมานโนารยะมานโนตังกีวรังอภินิพัทเตยะอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพัเยะจะตุกขตุงปัญจกตุงจักตุประมังตุนนิโหเทนะอุดิสะภาตัมบังจะุกขตุงปัญจตุงักตุประมังตุนนิโหโตอุดิตะิามานโนตังกีวรังอภินิพัทเดยะอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพัทเตยะตัโตเจอุตตริงวายามะมานโนตังกีวรังอภินิพัเตยะ อุิติยังปาคิติยังโนเจอภินิพนดียะยะตากิวรเจตาปนังอาภังตฐะมังวาตันตบังดูโตวาปะเหตัมโบยังโคตุเมหิจมันโตภิกขุงอุดิตาคิวรเตานังปะหินไมะนณตันตจาิกขโนกิจิอัทังอนุพธิยุจันตาจิตมันโตสังมาโวสังวินัสิิอังตัมจิจีปาระวังโปัมม โยปนาปิกุโคสิยามิตสังสันทังการาเปียนิกิยังปาจิติยังโยปนาปิกุสุทธกาลกานังเลกโลมานังสันทังการาเปียนิกิยังปาจิติยังนวมปนาปิกุณาสันทังการยมานเนะเวพะาสุทธกาลกาังเลกโลมานังตัติยังโอดาตานังจตุทังโกจริยานังนาดาเจสิกุเวพะเกสุทธกาลกาณังเอลกโลมานังตัิยังโอดาตานังจตุทังโกจริยานังนวังสันทังการาเปียนิสิยังปาจิติยังนวมปนาปิกุณาสันทังการาปิตวัาชาณิทาเรตบังโอเรนะเจชันนัง ตัววาอวิเศษจิตตัววาอันนัะวางตันตังาาะอันตระสกุสมาติยานิสกยงปจิตยัง นิสิเดนาสั่ทัตัมปนการยม่เนนัปุระน็สัทตัสมันตาสุเตวิทอาตมบัรบุบันนกรายอนาดเจปุระนสัทตัสมันาสุเตวิติงนวังนิเน้สัทตังกรเยนยังปจยังุโนปเนวถานมากะันัเอลโลมาีอุปัจเยุงอาังมาเนนกุาัเกเตมานัเกเตวติโยจนะรมังสา่าหาเรตัมานอาสั ใจเปยวามีแตตาเปยวาในสกิยังปาจิติยังโยปนะพจาตรูปราชจังอุันนยวาอุกันหน้าเปยวาอุปนิคิตตังวาธาตุยานิสติยังปลาจิติยังโยปนุานาปการะกังรูปียั้งโวฮารังสมาราเจียนิสติยังปาจิติยังโยปนะพุนานระการลังกยิกยังสมาราเจียนิสิยังปลาจิติยังกสิยวังโกติโน น่าจะระมังอาทิเรกะประตทาเรตัมโบตั้งอติกามยโตนสกิยังปาจิติยังโยปนะพิกูนปัญจปัญทะนนักะเตนอยังนวังปตังเจตาเปยานิสกิยังปาจิติยังเดนพิกูนโประตพิกูปริซาญาณิสิตัมโบโยจะตาิกูปริซายาปตปริยนโตโซจะตตพิกูโนปตาตปโอจันเตพิกูประตยาวะเพนาญาทาเรตัมโบติอังตาสามีจิญาิโคปนตานิกิลานังพิกูนังปตะอิาญาณิาณิเสานิเซญทีตังสปินวะนีตังเตลังถกานไม่ตัตาัง ุิตาบาลีตั้งอติกามายโตนิสกียังปาจิติยังมาโซเซโซยิมหานันติที่คุณาวสิกาสะกกีวรังปริเยสิตัมบังอัตมโซเซโยิมหานันติคัตวาลีวาเซตัมบังโอเรนะเจมาโซเซโยิมหานันติวสิกาสะต้กกีวรังปริเยสยะโอเรนะัมโซเซโซยิมหานันติคัตบานวาเนิสกยังปาจิติยังโยปนะุ่ปิคุสะสะมังกีวรังปะตวะุปโตอนามโนอาจินไดวาอาชินดาเปยวาณิสกียังปาจิติยังโยปนะที่คุิะง ภิกุปเนวอุดิตอญาตโกหปฏิปตานีวตันตวายเีกวรังวายาเปยะตตระเจโซพิกุบอปวาริโตตันตวายเอุปังกมิตวกิวเรกิวเรวิกบงอาปเจยอิดังโคอาวุโสกิวะรงมังอุดิตมียติอายตจกโรกโรทิตัจกอิตัจกสวิตัจกสุปวาิตัจกสุเวเลกิตัจกสวิตัชิตัจกกะโรทะอเปวนามะมยปอายสัตานกินจิมตังอนุปัจเยมาติเปัญจะโซพิกุวัตวกินจิมตังอน านากระตังติกเตมาติคุณมะมังิคุณโปเนวะอจกะิวรังอุปเจยะเจกังมัญมาเนนิคุณาตังเกเตัมังตังเกตวะยาวะกิวรักาละจำยังนิขิปิะโตเอุตรินิขิเปยติยังปาจิยังอุปวัตสรงโคปนาติกคุณมะมังยานิโคปนาตานิอารันยกาณิเซนัสนาณิาสังกัจฉาตานิสัตตะนิยะนิตทารูเตสุภิกุเตนัสเนสุภิหารันโตอางคมานตินังกีวรันังอัญญตรังกิวรังอัญตราเรนิขิเปียะสิยะจตระัง โอคุตรมีภาวะที่ยานราพุโสมาิงานนตังยังปะจิติยังโยปนิพุจานังสังขิกังลาภังปรินาถังอัตโนปรินาเมยนีตั้งยัปาจิติยังปะตะวันโธตัดโยุดิตาโคอายสมมโตติงสนนิสติยาปะจิติยาธมรมะตท่ายะสัมมเทปุชามิปจิตาปริสุทธาตัดทียมปปุชามิปะิตาปริสุทธาตัียมปปุชามิปิตาริสุทธาปริสุทธะยมมโตตัสมาตุนมีเอวเมตังทาระยามิ